รอบกายรอบใจของเรามันมีแต่ข้าสึกทีคอยทำทำลายทำของเราทั้งนั้นเพราะมันมีอำนาจมากถ้าเป็นวัวก็ มันอยู่ปากค้ อ, อกตลอดเวลาพอแย้มประตูออกนิดมันก็ออกได้เลยล้วมตัวมันทันทีพอแย้มปับมันก็ออกได้ปุ๊บเพราะมันคล่องตัวมีเป็นหลักธรรมชาติ ของสิ่งที่เป็นค่าติดต่อทำรรนั้นว่าเรียกว่ากิเลสสมานคือสิ่งรังควานอัดทมทำลายอัดรมภายในจิตใจเพราะฉะนั้นเราจรึงไม่เคยคิดเคยคาดเคยฝันกันว่าธรรมจะมีอยู่ภายในใจ เพราะใจทั้งดวงในขณะที่ยังไม่ได้เรื่องไดเราเกี่ยวกับธรรมมันเป็นกิเลสททั้งหมดจึงลำบากในการประพฤติปฏิบัติเบื้องตน้นจึงจะทำให้จิตสงบร่มเย็นปราศจากความคิดความยุ่งเหยิงอันเกิดขึ้นจากความคิดข้งตนเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ซึ่งก็เป็นเรื่องของใจเป็นผู้ปรุมขึ้นมาแต่งขึ้นมาเพราะมีสิ่งบังคับให้ปรุงให้คิดเรื่องนั้นๆไม่ใช่เป็นขันร้วนๆที่คิดปรุงธรรมดาของตนอันไม่เกิดเรื่องเกิดราวอะไรเก่เจ้าของแต่มันเต็มไปด้วย พิษด้วยภัยในขณะที่คิดออกแต่ละเรื่องละราวเพราะตัวพิษบังคับให้คิดให้ปรุงนี่มันลำบากการปฏิบัติเบื้องต้นจึงถอยหน้าถอยหลังการถอยหน้าถอยหลังก็คืออำนาจของสิ่งเหล่านี้แหละ ให้ถอยคำว่าถอยนั้นก็คื อ, คอว่าด้อยความภาพเหยียนลงมีความสงสัยเป็นกำลังความด้อยกำลังลงก็ดมีมีความสงสัยทำให้เกิด ความด้อยกำลังลงไปก็เป็นเรื่องของมนันทั้งนั้นเราจะแยกออกตรงไหนสิ่งนี้ไม่แทรกไม่แสงไม่เจอสิ่งนี้อยากจะพูดว่าร้อยทั้งร้อยเปอร์เซ็นเจอทั้งนั้นเจอแต่สิ่งเหล่านี้มันปิดมันล้อมมันอุดมันตันอยู่ทุกแง่ทุกมุมไม่ว่าจะเป็นความคิด ในแง่ใดด้านใดนีเบื้องต้นเป็นอย่างนั้นด้วยกันเพราะเรายังหาทางออกไม่ได้หาทางสู้ไม่ได้เนื่องจากสติปัญญาอันเป็นสายธรรมไม่พอความเพียรก็ไม่ทราบจะเพียรดับอย่างไรถึงจะถูกในกิจ ซึ่งเป็นเหมือนกังหันนั้นมันก็ไม่หยุดหมุนเพราะผู้บังคับให้หมุนมีอยู่เนี่ยยากที่ตรงนี้แต่อย่างไรก็ตามการกล่าวทั้งนี้ไม่ได้กล่าวให้ท่านผู้ฟังและท่านผู้ปฏิบัติทั้งหลายเกิดความต้อถอยอ่อนใจน้อยไม่ว่าต่ำใจเราพูดถึงเรื่องกลอุบายของสิ่งที่เป็นมาร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 เพ่ใจไม่เคยสงบเมื่อพยายานหลายครั้งหลายหงหลายหนต่อสู้กันไม่หยุดไม่ถอยก็ต้องปรากฏเป็นความสงบขึ้นมาในขณะหรือเวลาหนึ่งจนได้พอให้เห็นช่องทางและพอเป็นเครื่องเสริมจิตใจให้มีกำลังขึ้นมาในเบื้องต้นเราไม่ทราบจริงๆว่าอาการของจิตแต่และอาการที่แสดงออกนั้น มีอะไรเป็นฉากหลังบังคับอยู่เราไม่มีทางสร้างได้จึงถือวอาความคิดความปรุงทั้งหลายเหล่านั้นเป็นของจริงของจังเป็นความเชือ่อความดูดดื่มไปเสียทั้งมวลโดยไม่ไคำหนึง่งว่าเป็นสิ่งที่ผิดหรือที่ถูกเพราะมันกลมคลืนมันไปด้วยธรรมชาติอันเดียว จนมองหาสิ่งที่จะแทกสิ่งที่จะแข่งสิ่งที่จะวัดคัดตวงกันไม่มดต่อเมื่อฝึกฝนอบรมอยู่ไม่หยุดไม่ถอยกิตใจก็ค่อยเปิดเผยตัวออกเห็นเป็นความสงบบ้างเล็กน้อยแล้วความสงบละเอียดเข้าไป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 ท่านจึงสอนให้มีธรรมเป็นเครื่องยึดถ้าไม่มีธรรมเป็นเครื่องยึดจิตก็ผะาอะไรไม่ติดเพราะมีตั้งแต่เรื่องของกิเลสทั้งมวลอยู่ภายในจิตใจเองต้องอาศัยธรรมบทใดก็ตามเป็นที่ยึดของจิตในขั้นเริ่มต้นจงท่านสอนให้บริกรรมภาวนาทำที่ตนชอบ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 ทำบริกรรมพรนานันภานะทั้งหลายที่กิดมันชิดมันแผ่รัศมีออกไปกว้างแคบด้วยความรู้เป็นเครื่องหลอกลวงต่างๆนั้นให้ปลดเปลืองทั้งมวลตระหนึ่งว่าโล ก, กาธาตุนี้ไม่มีอะไรเลยมีเฉพาะคำบริกรรมกับความรู้ที่กลมกลืนกันอยู่เท่านั้นไม่ต้องคาดต้องหมายถึง มักถึงผลจะเป็นผลของสมาธิขั้นใดภูมิใดจะเป็นความรู้แปลกประหลาดเห็นเปรตเห็นผีเห็นนรกอเวจีเห็นเทวบุตรเทวรา็ตามไม่สนใจคิดทั้งมวล น, นอกจากคำบริกรรมซึ่งเป็นงานของตนทำอยู่ในเวลานั้นเท่านั้นมีวิธีการภาวนาที่จะให้จิตสงบกโลกธาตุเหมือนไม่มี ไม่เอ็นความรู้สึกนี้ไปเกี่ยวข้องกับสิ่งใดนอกจากคำบริกรรมที่กำลังทำอยู่เท่านั้นให้รู้กันอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยด้วยเจตนานี่ออุบายที่จะทำจิตให้สงบต้องสงบได้ไม่สงสัยผู้กำหนดลมก็ตามางชติเป็นของสำคัญมากใครจะ ภาวนาในธรรมบทใดหรือพิธีการใดก็ตามสตินี้เป็นพื้นฐานที่จะเหนี่ยวรั้งจิตใจให้ยึดกับธรรมที่ตนพิจารณานั้นได้เป็นอย่างดีหากปราศจากสติเสียเมื่อไรงานก็ขาดว่าขาดตอนผลก็ย่อมไปเป็นตปะปะย่อมเป็นไปตามกันนั้นแล้วไม่ค่อยได้ผลเท่าที่ควรหรือไม่ได้ผลเพราะความเผลอ เราคอยแต่จะเอาผลอย่างเดียวโดยไม่คำนึงถึงเหตุว่าสื่อต่อเนื่องที่จะให้ผลเกิดขึ้นหรือได้เพียงมากน้อยเพียงไรหรือไม่นี่ขาดตรงนี้เพราะฉะนั้นนักภาวนาจึงไม่ค่อยได้ผลในการภาวนาของตนเนื่องจะรู้จะเห็นจิ่งใด น, นั้นไม่ต้องไปคาดนั่นเป็นเครื่องก่อกวนจิตใจให้ทำงานไม่สะดวกและไม่เห็นผลเท่าที่ คนต้องการให้มีความรู้อยู่กับงานที่ทําเท่านั้นไม่มีสิ่งใดเข้ามาเกี่ยวข้องอเรื่องความอยากนั้นมันผักดันขึ้นมาตลอดนี่ให้ทราบว่าความอยากอันนี้คือตัวกิเลสโดยแท้อยากคิดอยากปรุงเรื่องนั้นเรื่องนี้เกี่ยวโยงไปจนครอบโลกธาตุล้วนแล้วตั้งแต่เรื่องของกิเลส มันผลักดันความคิดวาดภาพออกมาหลอกตัวเราเองให้ตื่นเงาตื่นภาพตื่นมโนภาพที่มันหลอกออกมาไม่มีวันหยดจางอีมพอเลยนี่เป็นนิสัยของกิเรสที่หลอกลวงสัตว์โลกแฉเพราะอย่างยิ่งผู้ภาวนาเอาให้เผยจากหลักของการภาวนาจนได้ผลสุดท้ายก็ไม่เกิด ผลอะไรขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราจรึงควรจะทราบเล่ห์เหลี่ยมความแง่งนของมันดังที่กล่าวมาโดยย่นย่อ น, นี้ไว้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปการภาวนาจะเป็นไปเพื่อความสงบร่มเย็นวิธีการที่กล่าวมานี้ท่านเรียกว่าสมถะเพื่อความสงบสมถะภาวนา ต้องเป็นไปตามนี้ไม่สงสัยถ้าเราดําเนินตามที่ อ, อธิบายมานี้จะเข้าสู่ความสงบได้จิตจะไม่เหนือกำลังของความภากเปลี่ยนของเราไปได้เลยเอาให้จิตได้รับความสงบริยาบทต่างๆซึ่งเหมาะสมกับตน ในการใดเวลาใดก็ให้ทราบภายในตัวเองและปฏิบัติต่อตัวเองให้เหมอะเช่นนั่งภาวนาจับประงกงกันลงเดินอุบายของเราที่จะแก้นั่นแหละเรียกว่าทำรเรียกว่ามัดกิเลสเกิดขึ้นจากใจมักก็ คือก็เกิดขึ้นจากใจคิดขึ้นมาได้สังขารประเภทหนึ่งเป็นสมุไทยคือเครื่องผูกมัดจิตใจสังขารประเภทหนึ่งเป็นมรรคเป็นฝ่ายแก้สมุไทยนั้นเป็นสังขารเหมือนกันแต่แยกความหมายต่างกันความรู้สึกต่างกันออกไปความรู้สึกของความคิด ปรงอันหนึ่งเป็นกิเลสความรู้สึกอันหนึ่งคิดปรุงขึ้นมาอย่างเป็นฝ่ายแก้กิเลสเกิดขึ้นมาจากใจอันเดียวกันเบื้องต้นการจะตั้งหลักจิตใจให้มีความสงบแน่วแน่ให้เป็นพื้นเป็นฐานหรือว่าเป็นต้นทุนเป็นสิ่งที่ลาบาก อยู่เป็นธรรมดาแต่อย่าเอาคำลำบากเข้ามาเป็นปอุปสรรคกีดขวางทางดําเนินของตนไม่ใช่าทางเป็นเรื่องของกิเลสอีกเหมือนกันความอุตสาห์พยายามจะเอาให้ได้ให้ถึงตามที่ตนต้องการนั่นเป็นความต้องการนม่เป็นความอยากเป็นฝ่ายมากเป็นฝ่ายที่จะให้ถึงจุดหมายปลายทางได้เนี่ เพราะฉะนั้นความอยากจึงมีทั้งเป็นฝ่า ย, ยกิเลสมีทั้งเป็นฝ่ายมากถ้าความอยากที่จะสังสมกองทุกขึ้นมาด้วยอำนาจของกิเลสนั้นเรียกว่าความอยากประเภทนั้นเป็นกิเลสเห็นอยากได้เห็นได้ยินได้ฟังลมกลิ่นยิ้มรดแบบโลกทั่วไป นันล้วนแล้วตั้งแต่เป็นเรื่องของจิเลตอยากรู้เท่าทันอยากถอดอยากถอนก็ในสิ่งเหล่านี้ความอยากนี้เป็นมากการพิจารณาคขี่คลายให้เห็นเหตุเห็นผลเพื่อจิตจะถอดถอนตนออกมาจากความยึดมั่นถือมั่นเพราะอำนาจของจิเลสเสกสรรอัญญอนั้นเรียกว่ามากักหนาผิดขึ้นได้พันาใจของเรา เพราะธรรมมีอยู่ที่ใจเกิดขึ้นได้ที่ใจสถิตยอยู่ที่ใจไม่มีที่อื่นใดเป็นที่เกิดขึ้นของธรรมเป็นที่สถิตยอยู่ของธรรมนับแต่ธรรมขั้นหยาบจนถึงขั้นสูงสุดคือวิมุตติภนิพานไม่นอกเหนือไปจากใจดวงนี้ที่จะรับสัมผัสสัมพันธ์และเป็นภาชนะอันเหมาะสมแห่งธรรมขั้นนั้นๆได้เลยมีจิตดวงเดียวเท่า น, นี้เป็นสิ่งธรรมชาติที่เหมาะสมอย่างยิ่ง ทำจึงเกิดได้ทั้งฝ่ายมรรคทั้งฝ่ายผลถ้าเราทำให้เกิดถ้าไม่ทำให้เกิดกิจตรงนี้ก็เป็นภาชนะใส่มูดใส่คูดไปดังที่เคยเป็นมาคำว่ามูดคูดได้แก่อะไรก็ได้แ ก, ก่ขี้โลกขี่โกรดที่หลงของต่ำช้าเรยวชามอะไรจะไปเกินกิเลสไม่มีชิ้นที่สะอาดหมดจด อาจจะจันอย่างยิ่งเกินโลกกินองสารก็ไม่มีอะไรหนือทําเพราะฉะนั้นทั้งสองประเพณีจึงเป็นข้าศึกขัดแย้งกันอยู่เสมอไม่เคยลงรอยกันได้เลยแต่การไหนมาและจะตลอดไปด้วยและริงทั้งสองนี้มีอะไรเป็นสถานที่อยู่เป็นสนามรบกันก็คือใจถ้าไม่มีอะไรมาขัดมาแย้งมา ทานพึ่งกันละกันหากิเลสก็อยู่อย่างสนุกเทินใจดังคนที่ไม่เคยสนใจอัดทมเลยนั้นจิตดวงนั้นก็คือครังของกิเลสเต็มดวงผู้มีความสนใจในอัดในธรำหลังบุญหวังกุศลมีความรักใคร่ใายอัดใสธทำมส่ายบุญใส่กุศลอยู่ก็ยังมีข้อขัดข้อแย้งกันยังมีพูดมีเครื่องต่อสู้กันกันกบกิเลสกิเลสก็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 ก็จะต้องแสดงออกเต็มรวดลายของตนไม่เช่นนั้นก็แพ้มันจนได้ในเบื้องต้นยอมแพ้ไปแคเก่อนแต่ไม่ใช่ยอมแพ้แบบถอยหลังกูดกูดอย่างนั้นยอมแพ้โดยการสู้ยังสู้มันไม่ได้เราจะเอาชนะแพชนะมาแากไหนก็สู้มันไม่ได้เพราะกําลังยังไม่พอก็เรียกว่ายอมโดยหลักธรรมชาติไม่ใช่ตั้งใจยอมจํานวน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 ทำไปฝ่า ย, ยเหตุก็คือว่ายอดทผทานาการนั้นไปแล้วก็เป็นผลเป็นตัวเนี่ยที่กลามาทั้งมวล น, นี้อยู่ที่ใจดวงเดียวนี้ยาเข้าใจว่าทมก็ดีกิเลสก็ดีอยู่ในสถานที่อื่นใด น, นอกจากใจดวงนี้น้ำเป็นน้ำลมเป็นล ม, ลมไฟเป็นไฟ ดินเป็นดินอากาศกระทาเป็นอากาศระทาทุกสิ่งทุกอย่างที่นอกจากใจไปแล้วเป็นด้านวัตถุหรือนามธรรมาก็ตามไม่ใช่กิเลสไม่ใช่มรรคไม่ใช่ผลไม่ใช่สถานที่อยู่ของกิเลสและมรรคไม่ผ่านมีใจนี้เท่านั้นเป็นที่เหมาะทั้งสองอย่างคือฝ่ายกิเลสและฝ่ายธรรม ยิเททุกประเภทอยู่กับใจได้สนิททำทุกประเภทเกิดกับใจได้ทั้งนั้นและอยู่ได้ด้วยกันสนิทเพราะฉะนั้นจึงต้องได้แก้กันที่ตรงนี้เอาให้ดีสติปัญญาพิจารณาอย่างไรเป็นธรรมพิจารณาอย่างไรเป็นเครื่องถอดถอนขอเคยอธิบายให้ฟัง แล้วหลายครั้งหลายนับไม่ถ้วนคณะจะทําสมาธิภาวนาให้ตั้งหน้าตั้งตาทําเพื่อความสงบที่เรียกว่าสมะถะถ้ามันหาความสงบไม่ได้จะพิจารณาทางด้านปัญญาเพื่อสกัดลัดต้อนไปกันอย่างแหลกเหลวทุ่มการลงด้วยกําลังปัญญาตั้งใจทําหน้าที่ปัญญาอันเผ็ดร้อนจริงๆเราก็ทำตามแต่จังหวะของมันที่จะ ให้ใช้ในแบบใดวิธีใดที่กิเลสจะมอบลงไปจนเห็นความสว่างกระจ่างแจ้งหรือความสงบเย็นใจอันเป็นผลเกิดขึ้นจากอุบายวิธีปัญญาเช่นนั้นเราก็ทำอย่าไปเลือกการเลือกเ ว, เวลาให้สังเกตดูความเหมาะสมที่จะต่อสู้กันด้วยวิธีการใดนี้เป็นอุบายของผู้ตลาดเพื่อแก้วความโง่ของตอนออกจากใจไปได้ดุจดังเดิ จิตที่หาความสงบไม่ได้ไม่มีโลกอยู่เพราะเราอยู่ด้วยจิตเราจะหวังเอาความสุขจากจิตเราไม่ได้หวังเอาความสุขจากสิ่งใดรูปเสียงกงลิ่นรสเครื่องสัมผัสวัตถุสิ่งของต่างๆนั้นเป็นเพีองเครื่องอาศัยท่านเรียกว่าปัจจัยเป็นเครื่องสนับสนุนให้เป็นไปในวันหนึ่งคืนหนึ่ง เดือนหนงปีหนึ่งเป็นระยะระยะไปเท่านั้นที่จะเอาดีเอาที่เสียที่โสจากสิ่งเหล่านี้นั้นไม่มีทางแต่เพราะเป็นเพียงเครื่องอาศัยเท่านั้นไม่ใช่เป็นของจริงจังอะไรพอที่จะไว้วางใจได้ฝากเป็นฝากตายได้กับสิ่งเหล่านี้แต่สิ่งที่จะเราจะฝากเป็นฝากตายได้ตลอดไปนั้นได้แก่ธรรมยิงต้องอาศัยกุศลธรรมได้ากความฉลาด อดฝนอบลมเริ่มต้นตั้งแต่วิริยะธรรมคือความภาคเพียนขันติธรรมต้งอดต้องทนนปฏิบัติไม่มีใครเกินพระพุทธเจ้าขึ้นที่ว่าความอดความทนความภาคเพียนนี่ศาสด ร, ราของเราท่านเดินอย่างไรเราพยายามเดินตามร่องรอยของท่านอย่าให้เด็กมายั่วมายุมาหลอกมาหลอนให้ท้อถอยน้อยใจในการ ตามเสด็จพระพุทธเจ้าด้วยความภาคเรียนอันจะเกิดผลแกต่ตนเองแล้วให้กิเลสเอาไปกินเลี้ยงกันเสียอย่างนั้นใช้ไม่ได้นักปฏิบัติเสียเรือ่อยเรียมของกิเลสความฉลาดพระพุทธเจ้าทรงสอน้นทุกแง่ทุกมุมซึ่งเป็นผลเกิดมาจากพระองค์ปราบกิเลสจนดุ๋มหมัดแล้วที่แนะนานมาสอนโลกทาไม ทำเหล่านั้นในเมื่อเราจะนํามาปราที่เลสทำไมจะกลายเป็นเรื่องของกิเลสปราบทำไปเสียล่ะมันก็ขัดกับการดําเนินเพื่อตามพระเดชพระพุทธเจ้าโดยไม่สงสัยเพราะฉะนั้นอุมายวิธีใหญ่ที่จะเป็นไปเพื่อถอดถอนกิเลสให้กิจทั้งเราได้มีความพาสุขเย็นใจเพราะมีธรรมอารักขาชัตติ อารักขาใจปัญญาเป็นเครื่องรักษาใจเป็นเครื่องทําลายสิ่งที่เป็นข้าติดต่อจิตใจเพียรก็เพียรเพื่อรักษาใจเพียรเพื่อถอดถอนกิเลส อ, อดทนก็อดทนในการต่อสู้กับกิเลสซึ่งเป็นความที่ถูกต้องดีงานทั้งนั้นไม่มีความเที่หายอะไรทุกเราก็เคยทุกมาแล้วตั้งแต่วันเกิดจนถึงบัดนี้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 แต่จิตใจของเราโดยลําดับบจนเป็นที่พึงใจอย่างเต็มที่ได้เราจึงควรภูมิใจทุกก็ยอมรับมาถูกในผู้ปฏิบัติเพื่อจะกล้าให้พ้นจากทุกโลกนี้ไม่มีอันใรที่จะน่าสงสัยแล้วเคยเกิดก็เคยเกิดมานานอยู่กับโลกอันนี้มานานทุกก็เคยทุกมานานสิ่งที่เราเคยสัมผัสสัมพันธ์นี้เราเคยสัมผัสสัมพัส ม, มามากต่อมากแล้ว มีอะไรเป็นสาระกุลพอให้เป็นเทีย่ยวลึกเป็นที่วางจิตวางใจมอบชีวิตจิตใจของมันได้ด้วยความตายใจไม่เห็นมีอันใดพอที่จะให้ได้รับความสุขแบบตายใจนั้นได้เลยนอกจากทำรรเท่านั้นนี่พระพุทธเจ้าก็เคยผ่านโลกมาเช่นเดียวกับพวกเราผ่านวัฏะบนบนเยนอือนเกิดตาย แดกหามกองทุกมากน้อยมาโดยลำดับลำดานก็ไม่ปรากฏว่าพระองค์วิเศษเพราะทุกตอนใดเพราะพบใดชาติใดในการท่องเที่ยวแต่พอพ้นจากกิเลสอันเป็นสาเหตุให้เกิดแก่เจ็บตายภายในพระไทยนี่เท่านั้นพระ อ, องค์ก็ลงแต่องอุทานขึ้นมาตั้งที วัตุิตังพระมจริยังกระตังกรณียังนะเสร็จแล้วกิดการงานทั้งหลายท่งเป็นเรื่องใหญ่โตมากในไตรภพได้แก่การต่อสู้กับกิเลสนี่คืองานชั้นยอดชั้นเยี่ยมงานใหญ่โตมากได้เสร็จจิ้นลงแล้วเพราะกิเลสตายเรียบไม่มีกิเลสตัวใดเหลืออยู่แล้วนะกระตังกรณยัง ทธิที่ควรจะทําให้ยิ่งกว่านี้ไปอีกไม่มีแล้วนะนัตถีดานิปุนัพโวบันนี้ความเกิดความตายทั้งท่อมทักษะโบกเยนเปลี่ยนแป ล, ง, ปลงทั้งพบทั้งขาดทั้งสกลอากาศเปลี่ยนดูไม่หยุดไม่ถอยจนหาที่สิ้นสุดยุติไม่ได้นั้นได้มายุติแล้วในขณะที่เกเลตได้สินส้นสรุปไปจากใจนั่นะอะโกหมัตมิโลกัสสังนวะ่าง เราเป็นผู้ประเสริฐเหนือโลกแล้วเวลานี้เนะี่ยพระองค์ประเสริฐตอนที่เด็กหลุดรอยไปจากใจตอนปราดที่เลียดให้เยียบราดไปหมดแล้วเพียงได้ทรงอุทานขึ้นมาว่าวิเศษแต่ก่อนไม่เห็นได้รับไ ด, ได้ยินได้ฟังว่าพระองค์วิเศษอันนี้เราทั้งหลายก็เคยสัมผัสสัมพันธ์กับเรื่องสิ่งดังกล่าวมานี้มากมาย ม, มีใครจะแข่งใครได้แหละเรื่องความเวียนว่ายตายเกิดที่เต็มไปด้วยกล่องถูกในพวกชาดนั้นๆแล้วเราจะสงสัยอะไรที่ไหนถ้าไม่ใช่ถูกกล่องกิเลสเสียจนหลับสนิทว่าอันนั้นก็จะดีอันนี้ก็จะดีอืนีตั้งแต่กิเลสมันพาเหอ่อเห่อเอาเสียจนลืมเนื้อลืมตัวลื ม, ต, ลมตาย ตายไปแล้วยังว่าจะได้รับความสุขความสบายที่ไอีก ท, ทั้งที่หัวใจมันร้อนเหมือนฝืนเหมือนไฟและจะเอาอะไรเป็นความสุขในพบหน้าถ้าใจดวงเป็นตัวเหตุตัวการตัวแกมอันสาคัญนี้หาความสุขไม่ได้แล้วเราจะแปลความสุขจากอะไรอาความสุขจากดินมันก็เป็นดินมันเป็นความสุขที่ไหนจากน้ำก็เป็นน้ำจากลมเป็นลมจากไฟเป็นไฟจากวัตถุ หรือแมทธาตุต่างๆตลอดถึงดินฟ้าอากาศมันก็เป็นของมันดังนั้นดังนั้นมันจะเอาความสุขลอยมาให้เราถ้าเราไม่แก้ลงที่กิตอันเต็นไปด้วยยาพิษคือตัวเผาผลาญจิตใจได้ใจที่เหลืนี้ให้หมดไปโดยลำดับดำดัแล้วไม่ต้องถามเรื่องความสุขกินถาานที่ใดการใดเวลาใดไม่ถาม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 นั่นแหละคือความพอของกิตยิ่เหลือตัวหิหวโหยกระเด็นออกไปจากใจเสียอย่างเดียวเท่านั้นความหิหวโหยจะไม่มีเลยอยู่ไหนอยู่ได้ตายตายได้เพราะความสลายของธาตุซึ่งมันเคยเสียหายมาแล้วตั้งแต่เราเมื่อบนอุตการมันก็เคยสลายเคยตายมาแล้วนี่ยิ่งเรารู้แจ้งถึงจริงมันทัตุเดว่ว่าเป็นธาตุเป็นขันเป็นธาตุสีดินน้ําลงไป มันมาผสมกันมีจิตตัวหลงเข้าไปสอดแทรกเป็นตัวการขึ้นมาแล้วก็ไปแบกไปหามกินอย่างนี้เข้ามาเป็นตนเป็นของตนเป็นเราเป็นของเราของเขาด้วยความไม่อายเพราะกิเลสมันพาให้หน้าได้เท่านั้นเราจรึงไม่รู้จักว่าจะทนอายได้ไม่ทนอายถ้ายอมจานนกับมันเมื่อสติปัญญาทำ ได้เพียงพอแล้วทําลายสิ่ง น, นี้ลงไปแล้วเราจึงได้เห็นความลามออกคล้องหมันความอยากท่าความร้อยเล่พันเหลี่ยมร้อยสันพันคมคล้องหมันเมื่อสติปัญญาได้ทันมันทําลายลงไปแล้วทีนี้เอายกมาเปรียบมาเทียบมาเป็นคู่แข่งกันในโลกทั้งสามโลกฐานกับจิต ด, ดวงที่บริสุทธิ์ล้วนๆนี้อันใดมีคุณค่ามากกว่าสิ่งใดจะไม่มองดูเลย ในสามโลกธาตุนี่เป็นโลกที่เราเคยอยู่มาแล้วทั้งนั้นให้ความสุขความทุกข์มากน้อยเพียงไรเราเคยผ่านเคยพบเคยสัมผัสสัมพันธ์มาแล้วไม่มีอะไรสงสัยแต่ความบริสุทธิ์พุทโธเต็มดวงที่จะเกิดขึ้นพราะอำนาจแห่งความภาคเพียนหนักเบา เ, าเอาสู้นี้ห น, นักก็เอาเบา ก, ก็สู่นี้เรายังไม่เคยเห็นยังไม่เคยรู้แต่ได้รู้ได้เห็นเสร็จแล้วบัตรนี้นะ่หายสงสัย นี่แนหะสาธารธรรมของบุญโดยเจ้าสอนลงถึงเหตุถึงผลถึงความสัตย์ความจริงไม่มีปลอมแม้แต่นิดหนึ่งคำว่าปลอมให้พึงทราบว่าเป็นกิเลสทั้งหมวลเพราะกิเลสมีแต่ปลอมหาความจริงไม่ได้ปลอมตลอดมาเป็นคู่แข่งกับธรรมคือความจริงตลอดมาเพราะฉะนั้นกิเลสจึงปลอมไปเรื่อยๆปลอมมาแต่ลูกแต่หลานแต่เหลงปู่ย่ า, าตายายของมันปลอมหมดอาการแจะแสดงมา เป็นเรื่องปลอมขัดกับธรรมขัดกับธรรมทั้งนั้นการแก้กิเลสจริงต้องแก้ของปลอมเมื่อแก้ของปลอมออกได้นมากน้อยก็เห็นของจริงขึ้นมาที่ใจมากน้อยโดยลําดับๆจนกระทั่งจริงเต็มสว่วนสิ่งภายนอกก็จริงดินน้าลมไฟฟ้าอากาศทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าวัตถุไม่ว่านมามธรรมเมื่อกิเลสไม่พัดไปหลอกว่านั้นตนื่นนั้นมีเป็ น, นี้แค่อย่างเดียวจริงนั้นเป็นความจริงล้วนๆตามธรรมชาติของเขา เพราะเรารู้รอบขอบคิดแล้วเราก็กลับมาจริงของเราเต็มส่วนแล้วก็มาตําหนิกันนี่เมื่อต่างอันต่างจริงแล้วก็ไม่กระทบกระเทือนกันถึงจะร้อนจะหนาวจะหิวจะกระหายก็เป็นเรื่องธรมรมดาของถาดของขันกรร็รับทรา บ, รบมันอยู่เพียงเท่านั้นที่จะให้ความหิวความกระหายความทุกข์ความลําบากเข้าไปแทรกแซงภ า, ายในจิตใจให้เกิด ทุกเวทนาขึ้นมาภายในใจนั้นเป็นอันว่าขาดสะบั้นแต่หมดแล้วตั้งแต่ขณะที่เหลือแตกกระจายไปจากใจเพราะฉะนั้นพระหันจึงหาเวทนาไม่ได้ภายในใจิตตั้งแต่วันบรรลุธรรมจนกระทั่งวันมิพานตลอดอนันตกาลมถึงไม่มีสุขเวทนาทุกขเวทนาอุเบกขาเวทนาเหล่านี้เป็นสมมติทั้งมวล อิทธวิมุตตกับสิ่งสมมุติจะเข้ากันได้คำว่าปรมาณูสุ ข, ขังที่ธรรมะนิพพานนางปรมาณูสุ ข, ขังนั้นเป็นสุขในหลักธรรมชาติของความบริสุทธิ์ปัญหาไม่ใช่สุขเวทนาเพราะฉะนั้นจินไม่มีคําว่าอนิจจังสุขขังอันต า, าเข้าไปแทรกเลยนั่นจินหมดปัญหามีไม้ตึงผล เหตุคือการอุตสาห์พยายามทุกแต่พระพุทธเจ้าก็เป็นทรงเป็นพยานมาแล้วทรงเดินไปก่อนพวกเราให้เห็นอย่างหยงหยกหยงอยู่แล้วเวลาเ น, นีสรบปสาหนนสรบปสาหนนฟังซิแต่อ่านคำพคําพีอ่านตีครั้งก็บอกว่าสรบทรงสรบปสามหนุนสามหนุนก็เหมือนอย่างเดียเด๋ยวนี้เดี๋ยวนี้นั่ะไม่ชัดแจ้งอ่านั่ น, น, นองค์ความจริงของศาสนาดําเนินเป็นอย่างนั้นเห็นประจักษ์ สาวกทั้งหลายก็ทุกข์ลำบากลําบนเพราะไม่ใช่เพียงสกุลหนึ่งสกุลเดียวหลายสกุลหลายชาติชั้นวรรณะที่สละตนออกมาเพื่อเพื่อธรรมไม่เห็นแก่ความยากลําบากแม้จะเคยอยู่ในสกุลที่เดืเดียดอ่อนเพียงใดเช่นสกุลกษัตรย์แต่เวลาเสด็จออกมาบวชในพุทธศาสนาปฏิบัติตนแบบลูกศิษย์มีครูตามร่องตามรอยพระบาทของพระเจ้าแล้วย่อมเป็นทุกข์รวยกัด ท่านยอมรับไม่ได้คำหนึง่งไม่ได้คิดถึงไม่ได้วุ่นวายกับอสมบัติเงินทองเข้าของมากน้อยสกุลน่สกุลสูงสกุลต่ําสกุลใดก็เป็นเหมือนกันกับโลกเขาเป็นความทุกข์ความลําบากอืมไม่ได้มิเสดที่โสอะไรแหละก็เป็นไปตามสมมุตินิยมของโลกเราจะหาทำมิเสษถ้าจะไปยุ่งกับสิ่งที่ต่ำซ้ำยิ่งกว่าทำอีกแล้วเราจะหาความมิเสดเหนือสิ่งเหล่านั้นไปได้อย่างไร นี่แหละเป็นเหตุที่ท่านพออดพอใจถ้าทราบซึ้งในพระว่าทของพระเจ้าที่ทรงแสดงตามความสัสดความจริงตามเหตุตามผลการประพฤติปฏิบัติเมื่อใจมีกําลังมีศรัทธาความเชื่อมั่นในเหตุในผลแล้วความเพียรก็มีมาตามๆกันความอดความทนพออดพอทนทั้งนั้นมันดูกับใจดวงเดียวใจพ่อถอยอ่อนแอเสียอย่างเดียวอยู่ที่ไหนมันก็อยู่ไม่ได้มันทนไม่ได้ พอแต่จะตายถ้ากําลังใจมีกําลังศรัทธา ม, มันพออดพอนทนทําไมจะไม่อดไม่ทนได้โลกเขาทําการทํางานเขาก็ทุกเหมือนกันกับเราเขาก็ทนเขาจะทนได้เราที่ทําความภาคเพียรเพื่อถอดถอนที่เดือดอันเป็นเสี่ยง เ, เป็นหนามเป็นหอกเป็นหานลาอยู่ภายในจิตใจให้ออกไปจากใจทําไมจะไม่ยอมรับ ทุกประเภทในที่เป็นทุกข์ใจถึงธรรมอันยิเงใหญ่เราต้องยอมรับนักปับิบัติต้องมีความเข้มแข็งให้มีความจริงจังต่อทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความมีสติจดจ่อต่อเนื่องกันไปมีเจตนาอย่าร้อแหลกความร้อนแหลกไม่ใช่นิสัยของผู้จะมีธรรมสมบัติขึ้นที่ใจจะกลายเป็นเรื่องพิเลรศสมบัติ ที่เลสมันจะเป็นสมบัติได้ยังไงคำธรรมสมัมปติสมัมปติก็หมายถึงถึงพร้อมแนะ่สมบูรณ์แนะ่หวังเป็นสิ่งที่พึงหวังด้วยความถึงพร้อมด้วยความสมบูรณ์พึงใจกิเลสมันเป็นที่พึงใจอะไระมันเป็นสมบัติได้งไงนอกจากมันเป็นค่าศิกเป็นมาร อย่าลืมคำว่าสติผมเห็นคุณค่าของสติมากปัญญาสติเป็นสำคัญเพียรอยู่เสมอผู้มีสติอยู่ชื่อว่าผู้มีความเพียรยืนเดินนั่งนอนรบสันทมหน้าที่การางานเลยอย่างน้อยให้มีสัมปัสธรรญารู้สึกตัวถ้าไม่มีสติจดจ่อยอยู่กับคำภาวนะาก็ให้มีความรู้สึกตัวเสมอไม่ผิดเวลาเราจะเอาเข้าสู่การชงงา น, นจริง มันก็เหมือนกับสัตว์ที่เราเลี้ยงดูมันอยู่จะไล่ต้อนเข้าครอบเมื่อไหร่ก็ได้ไม่เหมือนที่ปล่อยไปตามยถ า, ากรรมกว่าจะไปจะไปตะเวนหาบางทีเขาเอาขึ้นเฉียงแล้วคิดที่เราระมัดระวังเรารักษาจะอยู่โดยความโดยสม่ำเสมอเลาจะให้เข้าสู่ความสงบ ในองค์ภาวนาก็ได้ตามความต้องการไม่ดื้อดึงเหมือนที่ปล่อยให้เป็นไปตามยถาตาการระมัดระวังสติก็ต้องฝืนเพราะฝืนกิเลสกิเลสเป็นผู้ทําลายสติเป็นผู้ทําลายปัญญาเป็นผู้ทําลายความเพียรในแง่ธรรมะทุกด้านกิเลสจะต้องขีดต้องขวางต้องทําลายเสมอเพราะฉะนั้นการที่เราฝืนตรานี้จึงเป็นการฝืนกิเลสอยู่ในตัวของมันเอง ถ้าเราไม่ฝืนก็คือว่เราคล้อยตามกิเลสยอมจำนวนกิเลสเราก็หาทางออกทางพ้นจากกิเลสไม่ได้มัดตัวกิเลสเข้าไปแบบนี้ที่เรียกว่าัตถีปัญญาเอาให้มันแหลมคมยิ่งกว่ากิเลสมันจกะกราบกิเลสได้ถ้ากิเลสยังแหลมคมกว่าเราเมื่อไหร่เราก็มีทางที่จะหลุดพ้นจากอำนาจของมันได้เลยยิงต้องฟิตตัวเสมอเๆนักบวชเราชะดวกมากในการประกอบ สมนากิจสมณมณธรรมอทำเพื่อความสงบกิดการงานเพื่อความสงบเย็ยนใจเราทำได้สะดวกเพราะมีญาติโยมศรัทธามากมากแต่กองที่จะคอยสนับสนุนอนุโมทนากับท่านผู้ตั้งใจผู้ปฏิบัติไม่ตายไม่อดนอกจากเราจะอดเพื่อฆ่ากิเลสที่จะให้อดตายเพราะไม่มีผู้มาทําบุญให้ทานไม่ใช้สอยไม่ ที่อยู่อาศัยนี้เป็นไปนไม่ได้เพราะคนบุญยังมีอยู่มากในเมืองไทยของเราเป็นเมืองพุทธด้วยคอยอนโมทนาอยู่เสมออยากได้บุญได้กุศลด้วยทีนี้เล่าพูดจริงเถะเฉพาะแสวงหาบุญเพื่อตนและเพื่อผู้อื่นในอันดับต่อไปนั้นต้องตั้งหน้าตั้งตาพอเพฤ่อปฏิบัติอย่าลุนละคลอถอย ให้เห็นสมบัติอันพึงใจเกิดขึ้นที่ใจใจเองเป็นมหาสมบัติทำรรมาสมบัติก็อยู่ที่ใจมหาสมบัติทั้งมวลอยู่ที่ใจลงใจกับทรรมได้กลมกลืนเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วนั่นแหละคือมหาสมบัติเวลานี้มีแต่กิเลสมันพันหัวใจยิจ่งต้องได้แก้ได้ถอดได้ถอนฟาดเบี่ยงกันอยู่ตลอดเวลาทุกยากลาบากก็ทนอะ นีเนี่ยว่าสิทธิ์มีครูอะไรจะยากยิ่งกว่าฝึกฝนอบรมพระให้เต็มให้เป็นพระอย่างสมบูรณ์แบบให้เป็นคนอย่างสมบูรณ์แบบของคนไม่มีฝึกอะไรจะยากยิ่งกว่าฝึกคนคําว่าคนก็ต้องหมายอัตุบอกของเราเป็นอันดับแรกแล้วการสอนไม่มีอะไรจะสอนยากยิ่งกว่าสอนคน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 มาเอาตัวของเราเป็นคนเป็นคนเป็นคนคนภายนอกคนอื่นนั้นไม่มีปัญหายิ่งกว่าเราจะฝึกเราให้เป็นเราอย่างเต็มตัวมเมื่ออ น, นี้สมบูรณ์แล้วเรื่องประโยชน์ทางโลกนั้นมันแยกกันไม่ออกเพราะโลกกับธรรมอาศัยกันอยู่แล้วชาวบ้านกับชาววัดก็แยกกันไม่ออกอาศัยซึ่งกันแากันหากเป็นไปเอนตั้งพระโพธิ์ไถเจ้าเมื่อได้ตัดสรูแล้ว เรื่งประโยชน์ของโลกก็ตามมาเองในขณะที่ทรงบําเพ็ญไม่ทรงสนพระทยกับผู้หนึ่งผู้ใดทั้งนั้นนี่จะ <c oughs> ต่างหน้าประพฤติปฏิบัติกําจัดสิ่งที่มืดมนอนการอยู่ภายในจิตไม่มีอะไรที่จะมืดยิ่งกว่ากิเลสครอบหัวใจสิ่งที่มีอยู่มันก็ไม่เห็นสิ่งที่มีอยู่ควรจะรู้มันก็ไม่รู้เพราะกิเลสไม่ให้เห็นกิเลสไม่ให้รู้ กิเลสให้เชื่อกิเลสไม่ให้ทำนี่สำคัญตรงนี้กิเลสเป็นผู้คัดผู้ค้านผู้ขีดพูกขวางอยู่ในหัวใจของเรานี่แหละมั้นจึงรู้ไม่ได้เห็นไม่ได้ในสิ่งที่มีดังพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ทุกแง่ทุกมุมบาปก็ไม่ทราบว่าเป็นยังไงบุญก็ไม่ทราบว่าเป็นยังไงนรกไม่ทราบว่าเป็นยังไงสวรรค์ไม่ทราบเป็นยังไงพรหมโลกไม่ทราบเป็นยังไง นิพพานไม่ทราบเป็นยังไงทั้งๆ ท, ที่ใจนี้แหละจะเป็นผู้รู้แต่มันรู้ไม่ได้เพราะถูกกิเลสเปิดเอาอย่างมิตตัวการประพฤติปฏิบัติทางความภาพเดิมของเราเนี่เป็นการเปิดปานเพิกถอนสิ่งที่หุ่มหอ่อให้มืดมิดปิดตาภานในใจน อ, อ้กไปดูลำดั บ, ใ, ดหหบให้เห็นความสงบก็ให้เห็น สมาธิก็จะได้รู้ได้เห็นที่ใจเมื่อความมุ่นวายเป็นตัวกิเลสจางลงไปจางลงไปปัญญาความสอดส่องก็มีทางจะออกจากก้าวเดินได้เพราะกิเลสไม่จีดไม่ขวางปิดตันไว้เสียจนหาทางออกไม่ได้ปัญญาก็ออกได้ก้าวได้เมื่อจิเมีความสงบพอเป็นปากเป็นทางแล้วปัญญ า, าออก็พอจะก้าวเดินได้หรือก้าวเดินได้และก้าวเดินได้อย่างเต็มพูนน มีกิีลสเท่านั้นเป็นผู้ปิดบงังของจริงมีมากเท่าไหร่จ ะ, จะควรจะรู้เต็มหัวใจมาดออกความรู้ความเห็นความเป็นต่างๆที่ไม่เคยปรากฏขึ้นภายในใจย่อมปรากฏขึ้นเรื่อยๆเอยๆ อ, อุบายวิธีการต่างๆปรากฏขึ้นเลยความจริงที่เคยมีอยู่ที่ไหนที่ไหนมาดั้งเดินังเดิแต่เราไม่รู้ก็กลับให้รู้ให้เห็นขึ้นมาชัดขึ้นมาภายในใจ สุดท้ายใจก็เปิดตัวเองขึ้นมาเพราะไม่มีอะไรปิดกิเลสสลายตัวลงไปหมดแล้วเหลือตั้งแต่ความรู้อันเป็นธรรมล้วนๆทาไมจะไม่มองเห็นสิ่งทั้งหลายโลกวิถีรู้แจ้งโลกก็รู้แจ้งที่ใจนี้ก่อนเด็เมื่อรู้แจ้งที่ใจแล้วสิ่งต่งางๆมันก็รู้เองมันปิดไม่อยู่ปิดใจนี่นแต่กิเลสท่านละปิดใจอยู่พเพราะกิเลสสิ้นสร้างไปแล้วอะไรจะปิดใจไม่อยู่เลย จะรู้อย่างประจักษ์เรารู้ประจักษ์เราเพียงคนเดียวเท่านั้นสามารถที่จะพูดได้เต็มปากเพราะพูดด้วยความรู้ยิงเห็นจริงไม่ได้พูดด้วยความด้นเดาเกาา่าก่อแล้วก็ทราบแล้วว่าพระุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวกันนั้นสามารถเป็นศาสดาสอนโลกทั้งสามได้สัตว์ถาเทวมนุษย์สารหนังสั่งสิทําบทย่อท่านแสดงเอาไว้ มันเพียงแต่เป็นครูของเทวดาเท่านั้นยังเป็นครูของเทวดาอินทมทั้งหลายอีกด้วยนั่นแนหะความรู้ที่จริงสามารถสอนได้หมดถอดออกมาพูดได้ทั้งนั้นเพราะออกมาจากความรู้จริงเห็นจริงไม่มงงงันๆในลูกไม่คันเราจะพยายามสอนเราเพียงคนเดียว ทั้งที่มีเครื่องมือคือก็เออวาทพระเจา้าอุบายต่างๆทรงสอนไม่หมดแล้วมันก็ยังเป็นไปไม่ได้จะหวังเอาผลเอาประโยชน์อะไรตายเกิดตายทุกตายยากตายลําบากวกเวียนกันอยู่ไม่หยุดไม่ถอยมันได้ผลประโยชน์อะไรพบนั้นกับพบนี้มันต่างกันไหนก็คือพบแห่งความเกิดความตายความทุกข์ความทรมานเหมือนกัน จะเอาความวิเศษวิโสจากการเกิดการตายนี้มันวิเศษวิโสกันหมดแล้วในโลกกถาหนึ่งไม่มีใครยิ่องอย่างเราใครความพ้นจากสิ่งเหล่านี้เพราะทาลายเชื่อมันหมดแล้วเท่านั้นเป็นผู้ประสบเป็นผู้หมดกังวลและที่นี้เป็นนั้นว่าขาดบั้นไปแล้วนัตถีดานิปุนาพโวอันนี้ความเกิดความตายทำท่ททาทราบดังที่เคยเป็นมาของเรา ไม่มีแล้วหมดแล้วหน่การปฏิบัติลงเลงไดจริงจังกับท ร, รมปฏิบัติแล้วผลก็ต้องปรากฏขึ้นไปตั้งแต่ขั้นความสงบเย็นใจปัญญาก็จะก้าวออกไปเรื่อยสิ่งที่ไม่เคยรู้ก็จะรู้ขึ้นมาภายในจิตใจสิ่งที่ไม่เคยละได้ก็ละได้เป็นลำดับ กิเประเภทต่างๆขาดขาดที่หัวใจนะอย่าว่าขาดที่ไหนนะเมื่อรู้แจ้งกันชัดเจนแล้วมันก็ขาดไปขาดไปเป็นลาดับลดาแต่ไม่ใช่ขาดทีเดียวแบบขาดสะบ้นไปเลยนอกจากขีปลาปัญญาที่บรรลุทรามได้อย่างรวดเร็วเท่านั้นพวกเนยยะซึ่งต้องผุดทรมานตนด้วยวิธีการต่างๆต้องขาดไปโดยลาดับลาดา ตั้งแต่ขั้นหยาบขั้นกลางขั้นละเอียดค่อยขาดไปขาดไปบทสุดท้ายคืออวิชชาขาดจากใจนั้นตึงขาดสะบัน้นนั้นขาดสะบั้นเหมือนกันหมดพอถึงจุดนั้นแล้วก็เหมือนกับถอนลาบแก้วพวดขึ้นมาพรวดเดียวเท่านั้นหมดนั่นแหละถอนลาบแก้วของอวิชชาพวดขึ้นจากใจเท่านั้นหนเดียวเท่านั้นไม่ต้องเลยถอนอีกแล้วทีนี้อกุปะรม อันนี้เป็นอกุปธรรมขั้นสุดยอดอกุปธรรมขั้นโสดานั้นเป็นขั้นหนึ่งขั้นสกิทาเป็นขั้นหนึ่งขั้นนาคาเป็นขั้นหนึ่งขั้นพระรหัสหัเป็นขั้นน่งคือคําว่าสกิตอ่าโสดานั้นท่านบอกเป็นอกุปธรรมคือหมายคำว่าไม่เสื่อมจากนี้ลงไปอีกแล้วแต่ยังมีความเจริญความเสื่อมในขั้นที่ตนกําลังก้าวกาลังปีนอยู่ ยังไม่ได้ที่ยึดที่เกาะอย่างเป็นที่ปีนขึ้นตกลงเปลีนขึ้นตกลงอันนั้นนยังมีการกําเนิกส่วนขั้นภูมิที่ได้แล้วนั้นเป็นอกุปปธรรมไม่กําเลิกคือหมายความไม่เป็นอื่นพอก้าขึ้นอีกพักหนึ่งได้เป็นที่แน่แล้วนั่นก็เป็นอคุปะอีกแล้วก้าต่อไปเป็นพระตะกิทาอาจะก้าขึ้นสู่พระอนาคา ก็ต้องก้าแล้วตกไปก้าแล้วตกลงก้าแล้วตกลงเรียวกว่าเจริญแล้วเสื่อมเจริญแล้วเสือ่อมเพราะยังไม่ชำนาญจนมาทั้งชำนาญจนถึงกับเกาะติดปั๊บแล้วอ่ากับป็นอกุปะในขั้นนั้นๆพอถึงขั้นอรหัตภูมิเต็มตัวแล้วหมดที่นี่ไม่มีก้าภายในอีกยินไม่มีคําว่าตกลงอีกไม่มีคําว่าเจริญแล้วเสื่อมอีกเพราะเจริญเต็มที่ท่ามกาเจริญเต็มภูมิแล้ว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 เป็นมหาสมบัติขอให้ทุกท่านพยายามให้เห็นของวิเศษภายในใจของตนจะหายกังวลในสิ่งทั้งหลายโดยไม่ต้องสงสัยครับต่อไปนี้ท่านปัญญาอธิบายให้ผมเพื่อนฟังบนเขาองอากาศดี ลมกำมะถันบนเขาลนสั่งหนักก็เลยอากาศมันก็อีกมีบนเขาแต่ไข้บนเขาเนี่ยไขมาเยโอ้ไข่มากจริงนะฟาดให้สุดตั้งแต่เช้าตั้งแต่เมือคืนันเช้าฟาดทั้งวันไม่ไม่ยอมสั่งลุกไม่ขึ้นเลยรู้วินิจบายไม่ได้วันนึง มันไม่เปนวันนะ้องขุยอย่ะเอาอีกวัเดียวต้องขุยอยแต่ขาไม่รักเลยเงียบนะไ ม, ไม่ไม่ได้ปกติุม าการมังคุยไปแล้วนี่ไม่ปกติมันอยู่ที่นี่กันไม่เก็นไม่สบายไม่เลยนหมอเขาหันไปอีกไหมไม่ต้องไปไม่ต้องไปเลยเขาให้าหายาม้อเปล่ายังให้ยามาด้วย เมือคุณจะมองมีอย่างท่านจัทร์ศิลป์หรือท่าประเวณีมาทำมาเรียนเป็นบ้าเลยเดี๋ยวเาทแต่ใกล้มาเยอ เราไม่ปวดไม่ปวดตรงนั้ไเลยไมไม่เป็นที่จับนี่จะมันหนาวนะับสั่นเลยหลกนันก็ออกร้อนเป็นไฟไปเลย เไงล่ะท่นจันโกดอธาหารมาหลายวันแล้วกี่วันแล้วเนี่ยไม่ถึงสิบวันกว่าแล้วเลยเนี่ยนะแล้วเป็นไงล่ะการพอน่าตอนเาตอนงรมวันนแล้วเราใส่ข้าวอย่างนมันมีอะไรย่อยมันอย่างว่าทีมันก็ย่อยตัวเองมัน มันตะลุมบอลจริงก็เก้าปีเต็มผ ม, มมันก็ไม่ได้มองดูแม่ไดดูหมองเลยพระกิเลนเปิดปัญหาเจ็แล้วออกปฏิบัติจิงจัง ม, มันจา่าจมูกล่วงไปแล้วโอม้มันไม่ลืมหูลุมตาแล้วกเก้าปีเต็ม มันทุกข์ก็มันก็เป็นระยะระยะทุกข์ในเบื้องต้นพยายามให้จิตสงบมันก็โอ้ทุกข์ทุกข์จริงๆนาคในที่สําคัญมันดิ้นมันดิ่งของมันเองนะแต่มันไม่ได้แสดงถึงเมื่อถึงการมันเป็นภายในอยบแยบเนี่ยเป็นจต่ของเอ๊ะจะหมายแล้ก่อนที่ต้องถือจก็เห็นมันดิ้นมันดิ่งอย่างนี้ว่า ลองปฏิบัติบังคับต่อข่ามันทาไมมันดิ้นนี่น่นเป็นในจิตนะไม่ได้เปลนถึงธรรมะเป็นในจิตเกินจิตมันสงบเป็นสมาธิได้มันถึงคอยจางไปจางไปไอ้อามันออกช่องนี้ก่อนออกช่องนี้ก่อนจิตสงบได้แล้วมันถึงก็ะร่มเข้ามาทรงนี่มันเอออันสบายแล้วเนี่ย อันนี้ร็ควรมากความคิดอันนี้มากพอถึงขั้นนะถืว่าจะฟังไปแล้วทีนี้เอาแล้วการอาหารมันเป็นขั้นเป็นตอนของมันมันกระทุกทุกขั้นนั่นแหละแต่ว่าทุกอันนึง ท, ทุกมีต้นทุนทุกมีแก่ใจที่จะสู้อยู่ตลอด ทุกอันหนึ่งหาผลไม่ได้พิมีแต่บังคับขับสายมันเข้าไปมันทุกข์มากมันนี่ไม่พูดอะไรมากล้วเอาเก็บกันแล้ ว, ลวจะเลิกแล้ว